และลึกถึงพระสังฆ ค, คุณเก้าประการนะเดี๋ยวต่อไปนั่งสงบกันสักเล็กน้อยและลึกถึงพระธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เราได้สวดสาธยายกันว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้ด้วยองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟือ้อข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อมั่นในปัญญาตัสรุสัมมาสัมพธิยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลมีสรณะปรารถนาจะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าให้ได้ปรารถนาจะฝึก กรแสชีวิตตนเองเข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีลสมถะวิปัสนาของพระธรรมเข้าสู่ความงามในระดับธรรมกลางคืออริยมรรคอริยผลเข้าสู่ความงามอันสูงสุดของพระธรรมคือพานิพานขอความตั้งใจดีการกระทําความดีของข้าพเจ้าในครั้งนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าเข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีลสมถะวิปัสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าฝึกตนเองก็ถึงความงามในท่ามกลางคืออริยมรรคอริยผลและเข้าถึงความงามในที่สุดคือพระนิพพานในศาสนาของพระชิ น, นเจ้าที่มีความงามในเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดให้ได้ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมผ่ามบูรียสง์สาวกของพระเจ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเป็นเครื่องออกจากวัฏทุกข์ปฏิบัติตามสมควรแก่มชิมาปฏิปทาแก่พันิพานสมควรแก่การที่จะบรรลุพันิพาณเม้่ชั้นใดด้วยการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตนอบน้อมบูชาในครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าออกจากความเป็นปุถุชนคนมืดบอดคนหนาแน่นเดยราคะโทสะโมหะเข้าไปอยู่ในชุมชนของหมู่อริยสงฆ์ตามเจตจำนงจงใจตามมรรรสี่ข้าพเจ้าตั้งใจอย่างมุ่งมั่นด้วยเถิดข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าในอัฐภาพที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้มอบกายถวายชีวิตให้กับราคะโทสะและโมหะความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินต้องการอย่างไรข้าพเจ้าก็ใช้กายนี้ตอบสนองความโลภความกำหนัดความโกรธความเครียดความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นเวลาใดข้าพเจ้าก็ยอมตนเองที่จะจมอยู่กับความโกรธให้ความโกรธคอบงำ ปทุสล้ายตนเองมาอย่างยาวนานความลังเลสงสยัยความฟุ้งซ่านลำคาญใจเกิดเวลาใดพระพเจ้าก็จะเป็นทาสหลับใช้ความหลงอย่างไม่ไม่มีทางออกจากสิ่งเหล่านั้นมาวันนี้ข้าพเจ้าทราบความจริงแล้วว่าพระพุทธเจ้าดีจริงๆประเสริฐเป็นผู้เลิศ สัมมาสัมพุทธโธเป็นปัญญาเครื่องตัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสถอนกิเลสถอนกระแสชีวิตออกจากกิเลสและกองทุกข์และมันแตทุกเป็นต้นได้ข้าพเจ้าจึงขอมอบกายถวายชีวิตแด่สัมมาสัมพุทธโธคือปัญญาเครื่องตัสรู้ความจริงนั้นข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุก และส่งไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งประโยชน์ณปัจจุบันประโยชน์ในพบหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะฝึกตนเองเข้าถึงประโยชน์ณปัจจุบันประโยชน์ในพบหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ข้าพเจ้าขอมอบกายตวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงปรากฏชัดได้ด้วยตนเองศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นความงามในเบื้องต้นอริยมรรคอริยผลเป็นความงามในธรรมกลางนิพพานเป็นความงามอันสูงสุดข้าพเจ้าจะเดินตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ความงามทั้งสามระดับนั้นให้จงได้ ขอให้พระพุทธเจ้าโปรดจำข้าพเจ้าอยู่นี้ขา้าพเจ้ายอมเป็นทาสของศีลสมถาวิปัสนาข้าพเจ้าขอเป็นทาสของอริยมรรคอริยพล์ขา้าพเจ้าขอเป็นทาสของพระนิพพานอันเป็นบรมสุขในภาษาสันานี้พระธรรมโปรดจำข้าพเจ้าว่าขา้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะขอนำพากระแสชีวิตเข้าสู่ความงาม3ามระดับของพระธรรมนั้นให้ได้ จะพันตนเองออกจากกิเลสและกองทุกข์สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงต่อมัชิมาปฏิปทาปฏิบัติสมควรแก่การที่จะเข้าถึงอนุปาถ า, านิพนธ์เป็นผู้ปฏิบัติที่ไม่เอียงไปหากามาสุขาริการโยคและอัตกิรมาฐานโยกเป็นผู้ปฏิบัติตามมัชิมาปฏิปทาคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวิมารสัมมาสติและสมาสมาธิข้าพเจ้าจะขอฝึกตนเองจากปุรุชนคนมืดบอดเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์เข้าไปอยู่ในชุมชนของอริยสังฆะนั้นให้ได้การอยู่ในชุมชนของปุรุชนไม่ปลอดภัยมีมหันตภัยคือ ทุกคือชาติภัยมันตะภัยคือความเกิดมันตะภัยคือความแก่มันตะภัยคือความเจ็บไข้มันตะภัยคือความตายมันตะภัยคือความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแค้นใจมันตะภัยคือการพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นมันตะภัยคือความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นมันตะทุก ถ้พาพระเจ้าปราถนาพระนิพพานสัตว์โลกทั้งหลายปราถนาจะนิพพานแต่ไม่ได้พระนิพพานก็เลยประสบชาติทุกชราทุกขพยาทิทุกขมรณะทุกอยู่ลำไปถ้พาพระเจ้าเบื่อหน่ายความเป็นปุถุชนคนมืดบอดด้วยกิเลสมากๆจะฝึกตนเองเข้าสู่ความงามของวัตธรรมพันตนเองจะปุถุชนก็สู่ความเป็นอริยชนตามโมอริยสง์สาวก เหล่านั้นให้ได้อรหังสัมมาสัมพุทธโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองข้าพเจ้าอภิวาทพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นพระ อ, องค์นั้นเนี่ยด้วยเศษกล้าวเนี่ยก็แปล ว, ว่าข้าพเจ้าจะปลึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะ เป็นพระอรหันต์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้สวาคาโตพระควาตาธมโมธ ม, มังนามาสามิพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมมีความงามในเบื้องต้นทรามกลางและที่สุดข้าพเจ้าจะฝึกตนเองเพื่อเข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีลสมถาวิปัสสนาความงามในทรามกลางคืออริยมรรคอริยผลความงามในที่สุดคือพระนิพพานให้จงได้ กราบตอบน้อมลงไปสุปฏิปันโนภ ะ, ะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามิสงสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรง g พระพเจ้านอบน้อมประสง์นอบน้อมก็หมายความว่าข้าพเจ้าจะฝึกตนเองจากพุดุชนเป็นอริยสง์สาวกตามตามพระ ม, มูงสงเหล่านั้นให้ได้เราท่านทั้งหลายให้พิจารณาคิดอย่างนี้กระลึกถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกข์ได้พระพุทเจ้าก็จะฝึกตนเองให้ได้ปัญญาให้มีส่วนหนึ่งปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้พระพุทธเจ้ามีพระบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสพระพุทเจ้าไม่มีราคะความกําหนัดไม่มีโทสะความโกรธไม่มีโมหะความหลงไม่มีมานะคือความเย่อหยิงถือตัวไม่มีทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่มีความละอายต่อบาป ความละอายต่อบาปความไม่ละอายต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปความพุ่งสร้างทั้งหลายกิเลสเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไกลแสนไกลจากกิเลสเหล่านั้นแล้วไกลแสนไกลจากกายทุติยทุจริตทุจริตมโนทุจริตพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลแสนไกลต่อมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิพระพุทธเจ้าไกลแสนไกลจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมไกลแสนไกลจากการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้อไกลแสนไกลจากความโลภความโกรธและความเห็นผิดบาปอักษ ร, รกรรมชั่วร้ายทั้งหลายพุทธสมมาสมุทธเจ้าทรงเป็นผู้ห่างไกลจาก กิเลสเหล่านั้นห่างไกลจากบาปอักษ ร, รกรรมเหล่านั้นพระเจ้าจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดพระองค์เป็นผู้คงที่เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอย่างแท้จริงส่วนข้าพระเจ้าทั้งหลายกระแสะชีวิตยังเกลือกลั้วกับราคะโทสะโมหะยังเกลือกลัวกับบาปอักษ ร, รกรรมอันชั่วร้าย ข้าพเจ้าตั้งใจอย่างมุ่งมั่นว่าจะฝึกตนเองให้ไกลจากกิเลสเข้าถึงความบริสุทธิ์ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าทั้งอามิสสบูชาคือของภายนอกตัวทั้งสิ้นและธรรมะบูชาคือการประพฤติปฏิบัติเดินตามศีลสมาธิปัญญาด้วยการศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสและกองทุกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้ามีความศรัทธาเชื่อมั่นมีตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระต ถ, ถาคตเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นใน การที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดจนถึงการตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุิสาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยความเพียรด้วยความบากบันเดี่ยวเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่ถดถอย ทั้งพระทานาบ ร, รมีศีลบา ร, รมีทั้งเนกกรรมะทั้งปัญญาทั้งวิรยิยะทั้งขันติทั้งสัจจะทั้งอธิษฐานนะทั้งเมตตาและเวขาที่พระองค์ทรงกระทําไว้ในตนแล้วก็ฝึกให้เข้าถึงคุณธรรมบา ร, รมีธรรมเหล่านี้อย่างมุ่งมั่นอย่างอุกฤษไม่หยุดหย่อนข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อมั่นแล้วในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าจากมนุษย์ธรรมดาฝึกตนเองจนเป็นสัมมาสัมพุทธะได้จริงข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดานี่แหละเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้วันนี้ข้าพเจ้ามีศรัทธามีความตั้งมั่นอย่างแท้จริงมีความมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวจะทําตถาคตโพธิสถานเกิดขึ้นเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าและจะมาเชื่อมั่นตนเอง อย่างนี้เป็นต้นนั่นขอให้เราทั้งหลายรละลึกถึงพุทธคุณอย่างนี้ให้ติดต่อและต่อเนื่องกระทำไว้ในใจให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจให้ชัดให้ฝังลงไปในกระแสของความคิดให้จิตนั้นมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยต่อปัญหาโละอรปสักรที่โถมเข้ามาทุกด้าน เราจะรีบขวนขวายในการที่ฝังกระแสความคิดนตนเองให้จมดิ่งในพุทธคุณจมอยู่ในห่วงของปีติในทะเลของปีติของปราหมดปีติปัสทธิสุขและสมาธินี้ให้ได้ให้ตั้งใจในลักษณะอย่างนั้น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 หนึ่งหน